ตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อประโยชน์สุขที่จะตามมาต่อไปการมาปฏิบัติการมาศึกษานี้เป็นขั้นตอนของการดำเนินการที่จะพัฒนาชีวิตจิตใจของเราให้เจริญก้าวหน้า ให้มีความสุขให้มีความปลอดภัยจากทุกภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงเพราะคำสอนของพระพุทธเจ้าก็เป็นเหมือนคำสั่งของหมอเวลาที่คนไข้ไปหาหมอหมอก็จะสั่งให้คนไข้รับประทานยาให้ละ ให้ก๊อเว้นอาหารบางชนิดให้ทำอะไรบางอย่างเพื่อที่จะรักษาให้ร่างกายหายเป็นปกติพอคนไข้ได้รับคำสั่งแล้วนำเอาไปปฏิบัติไม่นานอาการเจ็บไข้ได้ป่วยต่างๆก็จะหายศาสนาก็เช่นเดียวกัน เป็นเหมือนหมอพระพุทธเจ้าเป็นเหมือนหมอหมอที่รักษาโรคใจโรคจิตโรคความไม่สบายอกไม่สบายใจความมีอารมณ์ว้าวุ่นขุ่นมัวกินไม่ได้นอนไม่หลับมีความวิตกมีความกังวลกับเรื่องราวต่างๆเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องของใจ เป็นโรคของใจที่สามารถรักษาให้หายได้ปลิดให้หายได้อย่างหมดสิ้นด้วยการเอาคำสอนคำสั่งของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติตามพอปฏิบัติตามแล้วโรคใจก็จะเบาบางลงไปแล้วจะหายไปในที่สุด ปฏิบัติตามอย่างไม่ย่อท้อไม่ละเลยไม่ยกเลิกและปฏิบัติเต็มที่ตามคำสั่งคำสอนของพพระพุทธเจ้าโรคทางใจก็จะไม่มีหลงเหลืออยู่ในใจต่อไปความทุกข์ความวุ่นวายใจต่างๆความเศร้าหมอง <c oughs> ความ ว, าว้าเหวความกังวลความหวาดกลัวต่างๆจะหายหมดไปจากใจได้เพราะพระพุทธเจ้าได้ทรงรักษาพระไถยของพระองค์แล้วจนไม่มีโรคหลงเหลืออยู่ในพระไถยของพระองค์พระองค์จึงได้ทรงนําเอาวิธีรักษาโรคพระไทยให มาให้มาสั่งสอนให้แก่สัรโลกผู้ที่มีจิตศรัทธาความเชื่อในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วนำเอาไปปฏิบัติตามก็จะได้รับผลเช่นเดียวกับที่พระพุทธเจ้าได้ส่งรับปรากฏเป็นพระอาหารหันต์ตาวกขึ้นมาเป็นจำนวนมากก็เพราะ มีศรัทธาในคำสอนของพ่อพระพุทธเจ้าแล้วก็นำเอาคำสอนของพ่อพระพุทธเจ้าไปปฏิบัติอย่างเคร่งครัดจนในที่สุดก็ได้บรรลุเป็นพระอาหารหันตาสาวกขึ้นมาหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจได้หมดสิ้นไป การพ้นทุกข์ทางใจนี้ต้องพ้นด้วยการปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้นไม่มีทางอื่นไม่มีสิ่งอื่นที่จะสามารถทำให้จิตใจของสัตว์โลกทั้งหลายงั้นหลุดพ้นจากความทุกข์ได้มีเพียงพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้น ที่จะสามารถทำได้แต่ผู้ปฏิบัติต้องปฏิบัติตามเพียงแต่ได้ยินได้ฟังแล้วไม่นำไปปฏิบัติก็จังยังไม่เกิดผลเหมือนกับรับยารับคำสั่งจากหมอแล้วแต่ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของหมอเช่นหมอบอกให้รับประทานยา วันละสามือแล้วแล้วไม่ปฏิบัติตามอย่างนี้โรคก็จะไม่หายเพราะเพียงแต่รับคำสั่งมาแต่ไม่ปฏิบัติตามการรับคำสั่งนี้เพื่อที่จะให้รู้ว่าต้องทำอะไรบ้างถ้าไม่มีคำสั่งก็จะไม่รู้ว่าจะทำอะไรจะกินยาชนิดไหนเวลาใด มากน้อยก็จะไม่รู้ถ้ากินไปแบบไม่รู้เรื่องรู้ราวก็จะอาจตายได้โรคแทนที่จะหายก็อาจจะตายได้ดังนั้นถึงแม้ว่าจะปฏิบัติแต่ถ้าปฏิบัติโดยไม่รู้ว่าวิธีที่ปฏิบัติที่ถูกต้องนั้นเป็นอย่างไรก็จะไม่สามารถรักษา โรคใจให้หายได้เช่นเดียวกันและอาจจะทำให้โรคใจกาเริบขึ้นมาอีกก็ได้เช่นที่เราได้ยินข่าวบางคนปฏิบัติไปแล้วกลายเป็นคนบ้าไปก็มีพวกนี้ส่วนใหญ่จะปฏิบัติโดยที่ไม่ได้ศึกษาไม่ได้รับเอาคำสอนของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติ หรือรับมาแล้วไม่ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดปฏิบัตินอกลูกนอกทอนอย่างนี้ก็จะไม่สามารถที่จะรักษาโรคใจให้หายได้ไม่ใช่เป็นความผิดของพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ปฏิบัติแล้วเป็นบ้าไปดังนั้น เวลาที่เรามีศรัทธาอยากจะปฏิบัติแต่ได้ข่าวว่าคนปฏิบัติแล้วเป็นบ้าก็กลัวจะไม่ปฏิบัติอย่างนี้ก็ไม่ถูกเพราะถ้าไม่ปฏิบัติก็จะไม่สามารถรักษาใจให้หายได้คนที่ปฏิบัติแล้วไม่เป็นบ้าแต่กลายเป็นพระอาหารหันตสาวกก็มีเป็นจำนวนมาก มากกว่าคนที่เป็นบ้าหลายร้อยเท่าด้วยกันดังนั้นเราจึงไม่ต้องมีความวิตกกังวลว่าปฏิบัติไปแล้วจะกลายเป็นคนบ้าไปถ้าเรามีคําสอนของพระพุทธเจ้าเป็นแนวทางแล้วเราปฏิบัติตามแนวทางของคําสอนของพระพุทธเจ้ารับรองได้ว่าจะไม่เป็นบ้า แต่จะเป็นพระอรหันต์อย่างแน่นอนไม่ช้าก็เร็วดังที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่าพระอรหันต์จะไม่มีการสิ้นสุดบทดไปจากโลกตราบใดที่มีผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอยู่อยู่ที่การปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตรงตามคําสอนของพระพุทธเจ้าดังนั้นเราจึงต้อง มีผู้สอนเรามีครูมีอาจารย์แต่การปฏิบัตินี้ไม่ได้หมายความว่าต้องปฏิบัติควบคู่ไปกับครูกับอาจารย์เช่นเวลานั่งสมาธิไม่จำเป็นต้องให้อาจารย์มานั่งด้วย mm. เวลาเดินจงกรมไม่ต้องให้อาจารย์มาเดินด้วย mm. เพราะการนั่งการเดินนี้มันไม่ใช่เป็นสิ่งที่ยากเย็นอะไร เพียงแต่บอกให้รู้ก็สามารถปฏิบัติได้แล้วเช่นเวลานั่งท่านก็สอนให้นั่งขัดสมาบ้เอาเท้าขวาทับเท้าซ้ายเอามือซ้ายวางไว้บนหน้าตักเอามือขวาทับเอาไว้แล้วก็นั่งตัวให้ตรงแต่ไม่ต้องเกรง็งนั่งให้สบายพอเรานั่งถูกท่าแล้วขั้นต่อไป ท่านก็สอนให้เรามีสติให้รู้อยู่กับอารมณ์ที่จะใช้ควบคุมจิตใจไม่ให้ไปคิดเรื่องราวต่างๆเช่นสอนให้เรามีสติอยู่กับพุทโธให้บริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆแล้วให้มีสติดูอยู่ว่ากาลังบริกรรมพุทโธอยู่หรือกำลังไปคิดเรื่องอื่นแล้ว ถ้าไปคิดเรื่องอื่นก็จะต้องกลับมาที่พุโทโธถ้าไปคิดแล้วนั่งไปทั้งวันก็จะไม่สงบเพราะจิตจะสงบได้ต่อเมื่อจิตไม่คิดเรื่องอื่นแล้วบริกรรมอยู่ที่พุโทโธเพียงอย่างเดียวถ้ามีสติให้จิตบริกรรมอยู่กับพุโทโธได้อย่างต่อเนื่องบางทีหานาทีหรือส0นาทีจิตก็จะรวมลงเข้าสู่ความสงบ เป็นเอกตารมสักแต่ว่ารู้ปล่อยวางร่างกายปล่อยวางรูปเสียงกลิก่นรสโผฏฐพัทธ์ได้และมีความสุขที่เกิดจากความสงบของใจเวลาจิตสงบมีความนิ่งไม่คิดปรุงแต่งอะไรตอนนั้นไม่ควรที่จะทําอะไรควรจะปล่อยให้จิตสงบไปให้นานที่สุดเท่าที่จะนามได้ พอจะทำให้จิตมีกําลังมีความสดชื่นเบิกบานมีความตั้งมั่นไม่วอกแวกไม่อารมณ์รุบว่าออกจากสมาธิแล้วก็ยังมีความเย็นสบายมีอารมณ์ดีตอนนั้นถึงจะให้เจริญปัญญาต่อไปพอออกจากสมาธิแล้วจิตเริ่มคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ ก็อย่าปล่อยให้คิดเหมือนเมื่อก่อนเราต้องเอาจิตมาทำงานทางธรรมะถึงจะเรียกว่าเจริญปัญญาการเจริญปัญญาก็ให้พิจารณาถึงความไม่เที่ยงของสิ่งต่างๆเช่นรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐพัทธ์หรือลาบยศสารเสริญสุขต่างๆล้นวนเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยง คือเป็นสมบัติชั่วคราวเช่นลาบเคืองทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองได้มาก็หมดไปได้สักวันหนึ่งถ้าไม่หมดก็ต้องจากเขาไปเพราะร่างกายก็ไม่เที่ยงเหมือนกันร่างกายก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปต่อให้มีลาบมากน้อยเพียงไรรองเท่าภูเขา เป็นมหาเศรษฐีหมื่นล้านแสนล้านสักวันหนึ่งก็ต้องสูญสมบัติเหล่านั้นไปเวลาที่ตายไปเพราะเอาติดตัวไปไม่ได้เอาไปได้แต่บุญหรือบาปที่ทำในชาตินี้และในชาติก่อนที่ยังไม่ได้ออกดอกออกผลก็จะมีบุญและบาปที่ไปกับตนเองเท่านั้น ส่วนทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองที่เรียกว่าลาบหรือยศคือตำแหน่งต่างๆยศฐาบรรดาศักดิ์เป็นอธิบดีเป็นรัฐมนตรีเป็นนายกเป็นประธานาธิบดีเป็นพระเจ้าแผ่นดินเป็นสังฆราชเป็นเจ้าฟ้าเจ้าขุนเป็นทัตคูเป็นเจ้าอาว่าเป็นอะไรก็ตามสิ่งเหล่านี้ มีโอกาสที่จะเสื่อมหมดไปได้ทั้งในขณะที่กำลังมีชีวิตอยู่หรือในขณะที่ตายจากไปแล้วเช่นเดียวกับสรรเส ร, ริญก็มีมีหมดไปได้คนสรรเส ร, ริญวันนี้อาจจะนินทาหรือดา่าในวันหน้าก็ได้เราไปห้ามเขาไม่ได้นี่คือปัญญา ท่านสอนให้เราพิจารณาถึงความเสื่อมของสิ่งเหล่านี้อย่าไปดีใจเวลาที่ได้รับลาบยศสรรเสริญสุดเราต้องมองว่ามันไม่เที่ยง ม, มันจะต้องหมดไปสักวันหนึ่งท่านสอนว่ามีการเจริญลาบย่อมมีการเสื่อมลาบเป็นธรรมดามีการเจริญยศย่อมมีการเสื่อมยศเป็นธรรมดา มีสัละเสริญย่อมมีนินทาเป็นธรรมดามีสุขย่อมมีทุกข์เป็นธรรมดาให้เราพิจารณาอย่างนี้ไว้เพื่อเราจะได้ไม่หลงยึดติดกับการเจริญของลาบยศสัรละเสริญสุขถ้าเราไม่ยึดติดแล้วเวลาเขาเสื่อมไปเราจะไม่รู้สึกอะไรเช่นความลาบของคนอื่นเราไม่ยึดไม่ติด เงินทองของคนอื่นเราไม่ไปยึดไปติดเวลาเงินทองของคนอื่นหมดไปเราไม่ได้เสียใจไปกับการหมดไปของเงินทองของคนอื่นก็เราไม่ไปยึดไปติดว่าเป็นของเรานั่นเองเช่นเดียวกับยศใครจะมียศสูงอย่างไรเวลาเขาหมดยศไปแล้วเช่นเวลาครบอายุหกสิบปีเขาก็ถูกปลดเกษียณไป เราก็ไม่ได้ไปเสีย อ, อกเสียใจกับยศของเขาเพราะเราไม่ได้ไปยึดไปติดว่าเป็นของเราแต่ถ้าเราไปยึดไปติดว่าเป็นของเราเช่นเราเป็นอะไรแล้วพอเราเสียยศนั้นไปเราก็จะเสีย อ, อกเสียใจเรามีเงินมีทองมากน้อยเวลาเราสูญเงินทองเหล่านั้นไปเราก็จะเสีย อ, อกเสียใจ เพราะอะไรเพราะเราไปหลงยึดติดว่าเป็นของเรานั่นเองถ้าเราไม่หลงเราก็จะไม่ยึดติดเราจะคิดว่าเป็นสมบัติชั่วคราวเป็นเหมือนคนเขาเอามาฝากไว้เท่านั้นเองสักวันหนึ่งเขาก็จะมาเอาคืนไปแต่เขาเปิดโอกาสให้เราใช้ได้อย่างเต็มที่ เวลาเขามาเอาคืนไปเหลือมากน้อยเพียงไรเขาก็จะไม่ว่าไม่เหลือเลยเขาก็จะไม่ว่าถ้าคนฉลาดก็จะใช้เงินทองให้หมดไปก่อนที่จะจากมันไปให้เกิดประโยชน์แก่จิตใจของตนเองและจิตใจของผู้อื่นอย่าไปใช้แต่จะไม่ใช้เงินทองเพื่อจะทำให้เกิดโทษกับจิตใจเงินทองนี้ ถ้าใช้เป็นก็เป็นประโยชน์แก่จิตใจถ้าใช้ไม่เป็นก็จะเกิดโทษกับจิตใจเช่นถ้าใช้ไปทางของกิเลสคือความโลภความอยากต่างๆก็จะเกิดโทษขึ้นมาเพราะว่าจะทำให้ใจนี้หิวอยากอยู่ตลอดเวลายิ่งซื้อมามากน้อยเพียงไรก็ยิ่งอยากจะซื้อขึ้นมาอีก คนบางคนยังมีของเต็มบ้านล้นบ้านเสื้อผ้าล้นตู้บางคนมีรถเป็นสิบคันรถยนต์เป็นสิบคันมีอะไรเป็นร้อยรองเท้าเป็นร้อยคู่เป็นพันคู่ก็มีนี่เป็นการใช้เงินที่ไม่เกิดประโยชน์กับจิตใจแต่กับเกิดโทษเพราะเวลาไม่มีเงินทองขึ้นมานี้จะเดือดร้อนเพราะความอยากมันไม่หมดไปกับเงินทอง เงินทองหมดไปแล้วแต่ความอยากกลับไม่หมดกลับมีมากกว่าเดิมอีกหลายเท่าด้วยกันแล้วพอเกิดความอยากได้แล้วไม่สามารถได้ตามความอยากก็จะทุกข์ทรมานใจนี่คือการใช้เงินที่ไม่เป็นประโยชน์กับจิตใจจงพยายามอย่าใช้เงินในแบบนี้เช่นไปซื้อของฟุ่มเฟือยไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ ไปเล่นการพนันไปซื้อสุรามาดื่มซื้อยาเสพติดมาเสพการกระทำเหล่านี้เป็นโทษทั้งกับร่างกายและจิตใจและจะฉุดให้จิตใจนั้นตกต่ำตายไปก็จะต้องไปเกิดในอบายการใช้เงินแบบนี้เป็นโทษแก่จิตใจของตนเองและกับผู้อื่นส่วนการใช้เงินที่เกิดประโยชน์ ก็คือการเอาไปทำบุญการเอาไปช่วยเหลือผู้อื่นที่เขาเดือดร้อนและเก็บส่วนที่จำเป็นไว้สำหรับดูแลตัวเราเองและครอบครัวของเราส่วนนี้ก็เป็นประโยชน์เก็บเงินไว้สำหรับซื้ออาหารซื้อของที่จำเป็นต่อการดำรงชีพแต่ไม่ซื้อของฟุ่มเฟือย ถ้ามีเสื้อผ้า พ, พอแล้วก็ไม่ซื้อมีรองเท้าพอแล้วก็ไม่ซื้อนอกจากว่าของเก่ามันเสียชำรุดใช้ไม่ได้ต้องซื้อของใหม่มาทดแทนอย่างนี้ไม่เป็นโทษแต่จะเป็นคุณเป็นประโยชน์ถ้ามีเงินเหลือมากก็เอาไปทำประโยชน์เอาไปทำบุญทำบุญกับพระก็ได้ทำบุญกับวัดก็ได้ ทำบุญกับคารวะญาติโยมก็ได้เป็นบุญเหมือนกันคำว่าบุญนี้แปลว่าความสุขใจเวลาที่เราได้ช่วยเหลือผู้อื่นเราจะเกิดความสุขใจขึ้นมานี่คือการใช้เงินใช้ทองที่จะเกิดประโยชน์แก่จิตใจของเราแก่ชีวิตของเราเพราะว่า มันจะเราสามารถเอาติดตัวไปได้บุญนี่แหละที่ทำให้เรามาเกิดสูงต่ำไม่เท่ากันคนบุญน้อยก็ต่าเกิดมาต่ำคนบุญมากก็เกิดมาสูงมีทรัพย์มากมีรูปร่างหน้าตาที่สวยงามมากมีอายุที่ยืนยาวนานมากเพราะบุญมาก ถ้าบุญน้อยก็จะมีอายุสั้นมีความไม่สวยงามหมือสวยงามน้อยมีทรัพย์น้อยอยู่ที่บุญที่เราทำกันในวันนี้ดังนั้นคนฉลาดจึงไม่เก็บเงินเก็บทองไว้เอาเงินทองนี้มาแปลงเป็นบุญเอาเอาเงินทองนี้เข้าธนาคารบุญด้วยการเอาไปแจกจ่าย สงเคราะห์ช่วยเหลือผู้อื่นชอบทําบุญแบบไหนก็ทำได้ซื้อโรงศพก็ได้สร้างโบสถ์ก็ได้สร้างกุฏิก็ได้สร้างโรงพยาบาลก็ได้แจกทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนผู้ด้อยโอกาสก็ได้ทำอะไรก็ได้ที่เป็นการเอาเงินของเรานี้ออกจากตัวเราไปเพื่อประโยชน์สุขของผู้อื่น เรียกว่าเป็นบุญทั้งนั้นทำไปแล้วจะทำให้ใจเรามีความสุขมีความอิ่มจะไม่หิวกับการอยากจะได้ของฟุ่มเฟือยต่างๆจะไม่อยากซื้อเสื้อผ้ามากจนเกินไปจะไม่อยากซื้อรถยนต์มากจนเกินไปจะไม่อยากจะซื้อบ้านมากจนเกินไปต้องการเท่าที่จำเป็นเท่านั้น ส่วนที่มีเหลือนี้เอาไปซื้ออาหารใจดีกว่าคือบุญนี่แหละเป็นอาหารใจเหตุที่คนเราไม่ค่อยอิ่มใจกันก็เพราะว่าไม่ค่อยทำบุญกันเอาเงินไปเลี้ยงกิเลสซะมากกว่าเวลาเราซื้อของตามความอยากตามความโลภนี้เท่ากับเราเอาเอาอาหารให้กับกิเลสให้กับความโลภทำให้ความโลภกับความ ความอยากนี้จเจริญเติบโ ต, ตมากขึ้นทำให้อยากได้มากขึ้นเมื่อก่อนนี้ได้คืบก็มีความสุขแต่พอได้มาแล้วเมื่อก่อนนี้ไม่มีได้คืบหนึ่งก็มีความสุขแต่พอได้คืบแล้วทีนี้ได้คืบก็ไม่พอละไม่มีความสุขอยากจะได้เพิ่มขึ้ น, นไปอีกเหมือนกับเราตอนนี้ได้เงินเดือนเท่าไหร่พอใจหรือ ย, ยังหรืออยากจะได้เพิ่มขึ้นไปอีก มันเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆตอนนี้ได้เดือนรับหมื่นก็อยากจะได้เพิ่มขึ้นไปพอได้สองหมื่นก็อยากจะได้เพิ่มขึ้นไปอีกเพราะว่ามันไม่มีขอบเขตความอยากนี้ท่านบอกว่ากว้างใหญ่กว่าท้องฟ้ามหาสมุทรมหาสมุทรท้องฟ้าจะกว้างใหญ่ขนาดไหนก็ตามยังมีขอบมีเขตแต่ความอยากนี้ไม่มีขอบไม่มีเขต ดังนั้นทุกครั้งที่เราที่เราเอาเงินที่เรามีอยู่นี้ไปซื้อของตามความอยากตามความโลภไม่ใช่ซื้อตามความจำเป็นก็จะเท่ากับเป็นการเลี้ยงหรือส่งเสริมความโลภความอยากให้มีมากขึ้นเมื่อมีความโลภความอยากมากขึ้นความหิวก็จะมีมากขึ้น ต่อให้ได้มามากน้อยเพียงไรก็จะไม่มีความอิ่มความพอเกิดขึ้นเพราะการเลี้ยงความอยากความโลภนี้ไม่ได้ทำให้มันเล็กลงไปหรือน้อยลงไปถ้ามันไม่เล็กลงไปน้อยลงไปความอยากก็จะไม่น้อยลงไปความอิ่มก็จะไม่มากขึ้นมาแต่ถ้าเราเอาไปทำบุญนี้ เท่ากับการไปซื้ออาหารมาให้กับใจของเราทำบุญมากเท่าไหร่ก็จะเกิดความอิ่มเกิดความสุขมากขึ้นไปเท่านั้นและจะไม่อยากได้อะไรเพิ่มมากขึ้นมีเงินเดือนเท่านี้ก็จะพอใจมีตำแหน่งเท่านี้มียศเท่านี้ก็จะพอใจมีคนสรรเสริญเพียงเท่านี้ก็จะพอใจมีความสุขแบบนี้ ก็จะพอใจถ้ามีความพอใจแล้วก็จะมีความสุขจะอยู่ได้อย่างสุขอย่างสบายนี่คือการใช้เงินให้เกิดคุณและไม่ให้เกิดโทษต้องใช้ในสองวิธีนี้คือหนึ่งใช้กับสิ่งที่จำเป็นต่อการดำรงชีพสองเอาไปทำบุญเอาไปช่วยเหลือผู้อื่น อย่างที่ญาติโยมมากระทำการเป็นประจำทุกครั้งที่ญาติโยมมาทำบุญญาติโยมจะมีความรู้สึกอิ่มเอิบใจมีความสุขใจมีความภูมิใจมีความพอใจเกิดขึ้นมาจึงทำให้ชอบที่จะทำบุญมากขึ้นไปเรื่อยๆแล้วต่อไปก็จะมีความสุขมากขึ้นไปเรื่อย แต่จะต้องทำบุญอย่างอื่นเพิ่มขึ้นด้วยเพราะการให้ทานอย่างเดียวนี้ยังไม่พอเหมือนกับการรับประทานอาหารรับประทานข้าวเปล่าอย่างเดียวไม่พอต้องมีกับข้าวด้วยต้องมีขนมมีของหวานมีผลไม้มีเครื่องดื่มถึงจะทำให้ได้รับความอิ่มอย่างเต็มที่ฉันใดการ ให้ทานนี้ก็เป็นเพียงเหมือนการรับประทานข้าวเปล่ายังไม่พอต้องมีกับข้าวด้วยต้องรักษาศีลแล้วก็ต้องภาวนาทำจิตใจให้ส ง, สงบนั่งสมาธิแล้วก็เจริญปัญญานี่คืออาหารของใจถ้าเราทำบุญทั้งสามชนิดนี้ทั้งสามส่วนนี้ ก็เท่ากับเราได้รับประทานอาหารครบทุกส่วนที่มีความจําเป็นต่อร่างกายอาหารของใจก็เป็นอย่างนี้มีความจําเป็นต่อใจเช่นเดียวกันถ้าจะทำให้ใจมีความอิ่มมีความสุขไม่มีความทุกข์หลงเหลืออยู่ภายในใจเลยก็ต้องรับประทานอาหารทั้งสามส่วนนี้ทำบุญให้ทานแล้วก็ต้องรักษาศีล รักษาศีลจะรักษาได้กี่ข้อก็ดีกว่าไม่รักษาเลยอย่าไปปฏิเสธว่ารักษาไม่ได้ห้าข้อก็เลยไม่ยอมรักษาเลยข้อไหนรักษาได้ก็รักษาไปก่อนเช่นรักษาข้อหนึ่งได้ก็รักษาไปข้อสองยังรักษาไม่ได้ก็เก็บเอาไว้ก่อนข้อสามรักษาได้ก็รักษาไปข้อไหนรักษาได้ก็พยายามรักษา ไปแล้วก็รักษาให้มากขึ้นไปเรื่อยๆถ้ารักษาได้เพียงวันเดียวก็ยังดีกว่าไม่รักษาเลยเช่นวันนี้ถ้าเรารักษาศินห้าได้ก็รักษาไปพวกนี้อาจจะรักษาไม่ได้ครบห้าข้อก็ยังดีกว่าไม่รักษาเลยรักษาไปเรื่อยๆแล้วต่อไปมันจะทำให้เรารักษาได้เพิ่มมากขึ้นไปเพราะเราจะเห็นอนิสง เห็นคุณประโยชน์จากการรักษาศีลเพราะจะทำให้จิตใจของเราไม่หวั่นวิตกกับโทษต่างๆที่จะตามมาถ้าเราไม่รักษาศีลเวลาเราทำผิดศีลเราจะมีความไม่สบายอกไม่สบายใจเราจะกลัวว่าจะต้องรับจะต้องไปรับใช้กรรมต่อไปนั่นเองแต่ถ้าเราไม่ได้ทำบาปแล้วเราจะรู้สึกสบายใจ แล้วเมื่อเราเห็นความสบายใจเห็นคุณของการไม่ทำบาปเราก็จะอยากจะทำอยากจะรักษาศีลมากขึ้นไปเรื่อยๆแล้วต่อไปเราก็จะรักษาได้อย่างแน่นอนเพราะมีคนอื่นเขารักษากันไดามามากมายเขาก็เป็นเหมือนเราในเบื้องต้นเขาก็ยังไม่อยากจะรักษาหรือรักษาได้ไม่ไม่ไม่มาก พอเขาได้ยินได้ฟังคําสอนของพระพุทธเจ้าถึงประโยชน์ที่จะได้จากการรักษาศีลจะทําให้ใจเขามีความร่มเย็นเป็นสุขไม่หวาดกลัวกับภัยต่างๆก็จะเขาก็เกิดศรัทธาแล้วนําไปปฏิบัติพอปฏิบัติแล้วก็เริ่มเห็นผลว่าสบายอกสบายใจขึ้นเวลาไม่ไปโกหกภรรยาไม่ไปโกหกสามีนี้รู้สึกสบายใจขึ้น เวลามองหน้ามองตากันก็ไม่ต้องหลบหน้าหลบตาเวลาพูดก็ไม่ต้องหลบหน้าหลบตาพูดกันได้อย่างสบายอกสบายใจแต่ถ้าไปพูดโกหกแล้วก็จะไม่สบายใจแล้วก็จะไม่รู้ว่าพูดอะไรไปบ้างข้างหน้าเวลาจะพูดก็ไม่รู้ว่าพูดอะไรไปเดี๋ยวนที่สุดก็ต้องถูกจับได้เพราะจำไม่ได้ว่าไปโกหก ไว้อย่างไรบ้างนั่นเองจะเป็นปัญหาแก่จิตใจเพราะจะต้องคอยมาคิดว่าเอ๊ะเราโกหกเขาเรื่องอะไรบ้างพอคราวนี้จะไปพูดเด็กเดี๋ยวพูดไม่ไม่ตรงกับข่าวที่แล้วเขาก็จะจับได้นี่คือเรื่องของโทษของการไม่รักษาศีลจะทำให้ใจของเราว้ามุ่นขุ่นงัว ไม่สบายอกไม่สบายใจวิตกกังวลแต่ถ้าเรารักษาสัจจะรักษาศินข้อสี่ได้พูดแต่ความจริงอย่างเดียวทุกครั้งเราพูดมันก็จะจริงเสมอไม่มีคำว่าไม่จริงเหลืออยู่เพราะว่าเราไม่เคยพูดคำไม่จริงนั่นเองเช่นพระพุทธเจ้านี้คำพูดของพระพุทธเจ้าที่มีบรรจุไว้ในพระไตรปิฎก มีถึง 8,4,000 นสี่พันพระธรรมขันเชื่อไหมว่าไม่มีคำปดคำพูดเท็จอยู่ในนั้นเลยเพราะทุกครั้งที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสนี้ตัดออกมาด้วยความจริงเท่านั้นความไม่จริงจะไม่ตรัสเลยคำสอนของพระพุทธเจ้าจึงมีน้ำหนักมากทำให้ผู้ที่ได้ยินได้ฟังนี้มีความเชื่อได้อย่างมั่นใจร้อยเอร์เซ็นต์ และสามารถนำเอาไปปฏิบัติจนเกิดผลขึ้นมาได้แต่คำพูดของคนที่พูดปดนี้จะคนฟังจะไม่มีความมั่นใจถ้ารู้ว่าเป็นคนที่พูดปดฟังแล้วก็จะไม่แน่ใจว่าคำพูดที่พูดนี้จริงหรือไม่จริงก็จะทำให้เขาไม่มีความศรัทธาในตัวของผู้ที่พูดปดหรือผู้ที่ไม่มีศีล จะทำอะไรก็จะลบาบากจะไปยืมเงินยืมทองใครเขาก็ไม่ไว้ใจว่าจะใช้คืนหรือเปล่าจะทจะให้คำมั่นสัญญาอย่างไรเขาก็จะไม่แน่ใจว่าจะรักษาคามั่นสัญญาได้หรือเปล่าแต่คนที่ไม่พูดปดนี้จะไม่มีใครสงสัยจะเชื่อพูดอย่างไรก็จะเชื่อสัญญาอย่างไรก็จะเชื่อ จะเป็นคนมีมีน้ำหนักเป็นคนที่มีคนเขารพแเชื่อถือนี่คืออานิสงส์ของการรักษาศีลแล้วจะทำให้ผู้รักษาศีลนี้มีความมั่นคงในจิตใจส่วนการภาวนานก็จะทำให้จิตใจสงบมีความสุขทำให้ทำสมาธิได้ใจก็จะมีความสุขจะไม่หิวไม่อยากกับอารมณ์ต่างๆจะอยู่เฉยๆได้ จะพอใจกับเงินทองที่มีอยู่เพราะไม่รู้ว่าจะเอาไปใช้อะไรเพราะความสุขที่แท้จริงนี้อยู่ที่ใจที่สงบนี้เองและไม่ต้องใช้เงินทองซื้อความสุขแบบนี้เพียงแต่นั่งสมาธิมีสติให้มีอยู่กับพุทโธไปใจก็จะสงบเย็นสบายถ้าคนที่มีความสุขทางสมาธิแล้วจะไม่ต้องหาเงินหาทองมากจะ เช่นพระสงฆ์องค์เจ้าที่มาบวชนี้ท่านไม่ต้องมีเงินมีทองท่านอยู่ได้เพราะท่านไม่ต้องมีเงินไปซื้อความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเหมือนกับค้าว า, าดญาติโยมท่านท่านมีความสุขด้วยการนั่งสมาธิทำใจให้สงบกนเองส่วนปัญญาถ้ามีปัญญาก็ยิ่งจะทำให้ใจมีความสุขมากขึ้น เพราะในขณะที่ไม่มีไม่อยู่ในสมาธิใจก็อาจจะคิดฟุ้งซ่านได้คิดถึงเรื่องต่างๆแล้วเกิดความทุกข์ขึ้นมาได้แต่ถ้ามีปัญญาก็จะโปรงได้จะตัดได้ยอมรับทุกสิ่งทุกอย่างตามความจริงได้เพราะปัญญาจะสอนให้รู้ว่าเราฝูนความจริงไม่ได้อะไรจะเกิดก็ต้องเกิดถ้าเรายอมรับความจริงแล้วใจของเราจะไม่ทุกข์ จะแก่ก็ให้มันแก่จะเจ็บไข้ได้ป่วยก็ให้มันเจ็บไข้ได้ป่วยจะตายก็ให้มันตายไปถ้ายอมรับความจริงนี้ได้ใจจะไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายหรือความเสื่อมต่างๆจะเสื่อมลาบก็ไม่ทุกข์จะเสื่อมยศก็ไม่ทุกข์จะมีคนสินทาก็ไม่ทุกข์จะมีความทุกข์จากเรื่องราวต่างๆก็จะไม่ทุกข์กับมันยอมรับความจริงปล่อยให้มันเกิดไป ก็ารู้ว่ามันไม่เที่ยงถ้าเราไม่ไปสนใจกับมันมันก็จะไม่มาทําให้ใจของเราทุกข์ได้นี่คือความประโยชน์ที่เราจะได้รับคือความสุขความอิ่มใจความสบายใจจากการรับอาหารบุญอาหารใจคือบุญทั้งสามชนิดนี้คือการให้ทานรักษาศีลและการภาวนา จึงขอฝากเรื่องของการให้อาหารแก่ใจด้วยการศึกษาและปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าให้ท่านได้นำเอาไปพิพพจารณาและปฏิบัติเพื่อความสุขและความเจริญที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลา จึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศีลัตนตรัยและบุญกุศลที่ท่านได้มาบำเพ็ญกันในวันนี้จงเป็นหุเป็นปัจจัยให้ท่านมีแต่ความสุขและความเจริญทั้งในทางโลกและในทางธรรมโดยทั่วหน้าอาการเธอ